พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30มกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าหาทางออกให้กับกิเลสวันนี้เป็นวัน พระแรมสิบห้าค่ำเดือนสองเดือนสองดับคราวหน้าเป็นวันมาฆบูชาปีห้าเจ็ดวันคืนเดือนปีก็ผ่านไปก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งใจภาวนาหามุมสงบอย่างผมไป แต่และ ว, วันบางทีผมก็นั่งรถบางทีก็เดินไปทางหลังวัดของเราผมว่าถ้ามูพวกเพื่อนตั้งใจภาวนาหาความสงบแล้ววัดของเราในสัปปายะเราจะเอามุมไหนของวัดกุฏิหลังไหนแล้วสะดวกปล่อยอะไรเพราะมีน้ำด้วยเราจะใช้น้ำก็ได้น้าอาบน้ำล้างเท้าห้องน้า ก็ไม่ไกลสรุปแล้วก็คือสะดวกสำหรับผู้ที่จะภาวนาจเจ้าหลังไหนเป็นหลังเล็กๆทางเดินยงลงก็มีทุกหลังเราจะนั่งเราจะเดินจะภาวนาอย่างไรเรื่องเสนาชนะแล้วก็มุมสงบไม่มีใครมารบกวนอีกต่างหาก มีแต่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วก็รบกวนตัวเองกิเลส ต, ตัวเองรบกวนตัวเองเหมือนกับสนิมเกิดในเนื้อละเอียดอย่างนั้นอ่ะมันเกิดในใจของตนเองก็ะยุ่งเยือในตัวเองวุ่นวายในตัวเองนั่งที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหา ม, มุมสงบแล้วก็ขันชนะ ฆ่ากิเลสภายในใจฆ่าอะไรไม่บาปนะฆ่ากิเลสคว้าฆ่าความโกรธไม่บาปได้บุญอีกต่างหากฆ่ากิเลสราคะโทสะโมหะเป็นบุญเป็นกุศ ล, ลขอให้พวกเราทุกองนะให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองอย่างน้อยก็ให้ได้รับความสงบทางด้าน จ, จิตใจเดินหรืสินั่งหรืสิ นั่งภาวนาให้นานๆสินั่งใหเ้เกินเวทนาที่มันจะเกิดทดลองเราสาิไม่ใช่ว่าทำเยอะๆใหญ่ ๆ, ญๆอพอกิเลสเอาไปกินหมดอพอ่งเข้าไปเหนื่อยก็คิดไม่ไหวมันร้วนแล้วจต่กิเลสภายในใจของเราออกมา ก้างกันทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผูดทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็สอนมาแล้วองค์หลวงตาท่านก็สอนมาแล้วฟังดูซิอ่านดูซิแต่พวกเราเท่านั้นแหละทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำย่อๆแย่ๆ ติน่น ไ, น, นไปน่นไปนี่หาทางออกของให้ให้กิเลสนะวันนั้าหอยพวกเราต้องดูดูอย่าหาทางออกให้กิเลสให้ภาวนาดูถ้าหากว่าเราจะหาวิเวกผมว่าเนี่ยที่วัดของเราเนี่ยหาที่ไหนได้ยากเหมือนกันนะในมุมไหน กูตหลังไหนเราจะไม่ให้เห็นคนเลยก็ยังได้มันอยู่กับเราทั้งหมดถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจก็อย่างว่านอยู่ไม่เป็นสุขหาคุยคนนั้นหาคุยคนนีน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ผลที่สุข ก, ก็เลยมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเรานะ ดูตนเองนะเอาธรรมเข้ามาบังคับามาบาังคับจิตใจเอาสมาธิทำนะความสงบนะนะั่นแะเอามาบังคับใจจึงจะได้รับความสงบร่ลมเย็นเป็นสุขถ้าเอากิเลสเอามาคิดถ้าวิ่งตามกิเลสมันยิ่งกว่าฟุตบอลนั่นนะมันกลิ้งใจกลิ้งไปกลิ้งมานะถูกกิเลสมันเตะเพระน้คขอให้พวกเราบ่นดูนะ ออันไหนเป็นยังไงไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองนะต่อนนี้ไป่วายปฏิมมก